ตอนการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของสัตว์แปลาจากนิตยสา ร, รเฟดเดือนกุมภาพันพรรธ์คศักราช1970